ว่าเรารู้หลักนะเอาไปทำนะหลวงพ่อเทศสเสียงแหบเสียงแห้งฟังเราต้องเอาไปทำเดี่ยนี้เทศเยอะแต่ละอาทิตย์นะมีเข้ากรุงเทพเข้าอะไรเงี้ยเทศชั่วโมงกว่าๆวาเดินทางอีกหลายชั่วโมงกว่าจะเข้าไปถึงกรุงเทพนะเห็นแล้วก็ดีอย่างนะเห็น ทุกเห็นโทษเข้าในกรุงเทพนะี่เห็นโอ้คนนะั้นมันมีความทุกข์เต็มไปหมดเลยบ้านเมืองไม่น่าอยู่เลยอยู่กันไอหัดแย่งเงินทุกสิ่งทุกอย่างแย่งเงินขึ้นรถแย่งเงินขับรถแย่งกันทุกอย่างชีวิตลําบากคนรุ่นต่อไปคงลําบากกว่านี้ หาอยู่หากินกันดูเดือนคนโบราณงานน้อยกว่านี้นะแต่ว่าชีวิตเขาก็เสี่ยงเหมือนกันคนละแบบเนีย่ยปีหนึ่งเขาทำนาจะได้ผลหรือไม่ได้ผ ล, ไ ม, ไ, ผลไม่รู้เหมือนกันฝนมากไปฝนน้อยไปคนแต่ก่อนเขามีความเสี่ยงเสี่ยงอยู่กับธรรมชาติ เดี๋ยวนี้เราก็เสี่ยงมากขึ้นนะเราเสี่ยงกับคนด้วยกันเองด้วยมันปั่นทุกสิ่งทุกอย่างได้นะปั่นน้ำมันก็ปั่นได้อะไรอะไรก็ปั่นได้เราควบคุมตัวแปรในการทําธุรกิจยากมากเลยธรรมชาติก็เสี่ยงด้วยอยู่แล้ว่นะเดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวซื้อน้มิเดี๋ยวแผ่นดินไหวอนะไรภูเขาไฟระเบิดเลยนี่ก็เสี่ยงเหมือนคนโบราณนะนะั่นแหละ นี่มันเสียงเพราะคนทําขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งอย่างคนเฝ้าเขื่อนนะนําสงสารนะมันกลัวไม่มีน้ําก็เก็บน้ําไว้เยอะเลยใครไปรู้ว่าฝนมันจะมาเยอะพอฝนมาเยอะก็รีบปล่อยน้ําคนก็เกลียดเขื่อนปีนี้ก็กลัวน้ําท่วมอีกเลยปล่อยน้ําหมดเขื่อนเลยถูกดาอีกลแล้วลทําไมโง่ไม่รู้จะเก็บน้ําไว้บ้าง ทั้งขึ้นทั้งล่องเนาะคนมันเยอะแย่งกันหาอยู่หากินลำบากนะชีวิตเราก็เสี่ยงสูงทำธุรกิจทำอะไรค่าเงินเปลี่ยนไปนะอยู่ๆนี่เพิ่มขึ้นมา 100, 000, 000, 000, ร้อยล้านพันล้านในฟลิปตาเดียวในคืนเดียวน้หน้า ม, มืด อะไรๆเขเกิดขึ้นได้ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่คนโบราณมันเสียงไม่ซับซ้อนเสียงกับธรรมชาตินานๆทีแล้พระม่ายกทัพมาทีอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เสี่ยงสารพัดเลยนะทําธุรกิจอยู่วันนี้พรุ่งนี้ล้มมาง่ายๆชีวิตที่มีความเสี่ยงอย่างนี้เราจะทํำยังไงดี เราก็ทําธุรกิจทํางานทําอะไรของเราไปปกตินั่นแหละแต่เราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้พร้อมที่จะรับทุกๆสถานการณ์คน2คนได้รับความเสียหายอย่างเดียวกันเนี่ยความทุกข์ไม่เท่ากันหรอกและจิตใจแตกต่างกันอย่างคน2คนล้มละลายคนหนึ่งรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตสลายไปหมดแล้วหมดกําลังใจ คนหนึ่งล้มก็ยังไม่เป็นไรเรามีประสบการณ์มาแล้วเราจะทำได้ดีกว่าเก่า ไ, ไม่ได้ศูนย์ไม่ได้เริ่มจากศูนย์เหมือนอีกคนหนึ่งคิดความรู้สึกของสองคนนีก็ต่างกันละวนี่เราต้องมาพยายามฝึกจิตฝึกใจของเรานะให้พร้อมรับสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเร า, เราต้องรับให้ได้ แม่พระที่วัดนี่ก็เครื่องตายไปคนหนึ่งวันนี้ท่านเอากระดูกไปลอยน้ำไม่อยู่นะแม่แม่มาเรียนอย่างนี้อย่างพวกเรานี้แหละอายุห0กว่า ป, ปีไปตรวจร่างกายไปจำปีที่ผ่านมาเนี้ยเชื่อว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายรักษาก็ตายแม่รักษาก็ตายรู้สึกไม่รอดนะ รักษาก็เจ็บปวดมากแกตกลงใจได้น้าทึ่งนะแกบอกแกไม่รับการรักษาใดๆนะเพื่อจะยืดชีวิตที่มันต้องทรมานไปเรื่อยๆแบบมันไม่หายปฏิเสธการรักษาที่ไม่หายแค่ขออย่างเดียวข อ, อยาแก้ปวดขอมาฟีนขออะไรนี่แค่นั้นอนะ่ะไม่ต้องมาให้คีโม พอให้แล้วไม่หายทรมานแกปเปล่าๆเป็นอยู่ไม่นานนะป่วยมากๆอยู่เดือนกว่าๆก็าตายอย่างสงบตายอย่างกล้าหาญตายอย่างคนมีสติหลวงพ่อไปเยี่ยมก่อนตายสองสาวันไปเยี่ยมแกแกก็บอกว่าในชีวิตแกเนี่ย ตั้งแต่วัยรุ่นมาแกถามตัวเองมาตลาดเลยว่าเกิดมาทำไมแล้วเกิดมาทำไมนะก็ไปศึกษางานของท่านอาจารย์พุทธธาสกอนก็รู้แล้วว่าศาสนาพุทธสอนอะไรนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงมือปฏิบัติยังไงอยู่มาอีกหลายปีนานก็ไม่ได้ยินเรื่องการเจริญสติ ของอาจารย์โควิดอะไรเคมานัน t ะใช่ไหมแ้วสอนเรื่องการเจริญสติแกก็รูออ้ต้องปฏิบัติด้วยการเจริญสติแต่เจริญแล้วจะเป็นยังไงจะอะไรเนี่ยยังไม่เข้าใจเมื่อสองสปีหลังเนี่ยมาเจอซีดีหลวงพ่อรู้แล้วว่าทางเดินจะเดินยังไงจะไปได้ยังไงจะไปไหนจะไปอย่างไรจะไปเพื่ออะไรรู้หมดนะลงมือปฏิบัติ เสียดายเวลาไม่พอแต่ว่าชีวิตนี้ไม่ขาดทุนแล้วชีวิตนี้ได้อัปเกรดแล้วนะจากไม่รู้เรื่องเลยมารู้วิธีปฏิบัติได้หัดลงมือทํำวิปัสสนาแล้วแต่ว่าผลมันยังไม่มีท่า น, นยังไม่ทันไม่เสียใจชีวิตนี้ไม่เสียใจบอกในชีวิตนี้ทุกวันนี้เสียใจเหลืออยู่เรื่องเดียวเองลูกชายมาบวชแล้วไม่สึก ตอนลูกชายมาขอบวชเนี่ยเราจะขอบวชพรรษาเดียวนี่พระมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยไม่ค่อยสึกหรอกแกบอกว่าถ้ารู้ว่าลูกไม่สึกนี่นะก่อนบวชจะขอกอดสักครั้งหนึ่งนี่แกจะตายโดยที่แกไม่ได้กอดลูกเลยเนี่ยแกเสียใจอยู่เรื่มเดียวน่ารักไหมเ <c oughs> นี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้ปฏิบัติแล้วชีวิตไม่เสียชาติเกิดแล้ว ได้มีสติหลวงพ่อก็บอกแก่ว่าก็ถูกแล้วละ่ะเรานักปฏิบัตินะมีเวลาวันเดียวเราก็ปฏิบัติวันเดียวมีเวลาสองวันเราก็ปฏิบัติสองวันเราใช้ชีวิตได้คุ้มค่าที่สุดละพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าถ้าเรามีชีวิตด้วยความมีสตนะิแม้แต่เพียงราตรีเดียวคืนเดียวมีคุณค่ามากกว่าคนอายุทั้งร้อปีที่ไม่เคยรู้สึกตัวเลยไม่เคยปฏิบัติเลย การปฏิบัติธรรมนะั้นมีความสําคัญมากมากกว่าชีวิตซะอีกชีวิตตั้งร้อยปีท่านบอกไม่มีคุณค่าปฏิบัติธรรมบันเดียวมีคุณค่ามากกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของที่มีคุณค่ามากนะสําหรับนักปรารถนจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของมีคุณค่ามากเพราะพวกเราอย่าประมาทเมื่อรู้วิธีแล้วนะลงมือปฏิบัติความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ การปลดถอนความตายนั้นไม่มีนะความพลาดพลากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้กนะารที่จะเจอปัญหาเจอความบีบคั้นต่างๆจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่รูนะ้มีแต่คาว่าไม่รู้เท่านั้นเลยเรากำลังเดินไปในสิ่งซึ่งเราไม่รู้เราต้องเดินไปด้วยความพร้อมให้มากที่สุดนะไปด้วยสติด้วยจิตที่ตั้งมัน่น มีการจเจริญสติจเจริญปัญญาในชีวิตของเราให้มากที่สุดชีวิตถึงจะมีคุณค่าถ้าเราภาวนาเป็นเราจะรู้เลยว่าชีวิตก่อนที่เราจะภาวนาเป็นเนีชีวิตที่น่าหวาดเสียวที่สุดเลยในชีวิตเราจะมีทางแยกเป็นช่วงๆถ้าเราเลือกเดินเส้นนี้ชีวิตเราจะหักเหไปทางนี้<ม>เราเลือกเดินในเส้นนี้ชีวิตเราจะหักเหไปอีกทางหนึ่ง แล้การที่เราได้หักเหมาจนถึงจุดที่เรามาลงมือภาวนาเนี่ยเราผ่านทางแยกที่ร่อแหลมมาหลายที่เลยถ้าเราไม่ได้ภาวนาถ้าเราภาวนาเป็นแล้วนะเราจะรู้เลยถ้าไม่ได้ภาวนาเราเสียชาติเกิดเราน่ากลัวที่สุดเลยเหมือนเราอยู่ในภาวะที่อันตรายที่สุดเลยเดินอยู่ในสนามพุ่นระเบิดเลยในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่นั้น เสด็จไปกรุงก บ, บิลพัทก บ, บิลพัทเนี่ยไม่ได้ปกครองโดยกษัตริย์องค์เดียวแต่ปกครองโดยกลุ่มของกษัตริย์แต่ว่ามีหัวหน้าขึ้นมาคนหนึ่งมีสายตระกูลอย่างกษัตริย์ไทยก็มีใช่ไม้มตระกูลเทวคุอะไรเงี้ยอิสรางกูลอะไรเงี้ยมีเป็นสายสายพวกศักยะก็มีเป็นสายสายเหมือนกัน พอพระพุทธเจ้าเสด็จกั บ, บิลพัทเนี่ยพวกศักยะก็ตกลงกันแต่ละสายตระกูลเนี่ยจะส่งผู้แทนหนึ่งคนนะมาบวชหนึ่งองค์มาบวชเป็นการแสดงความเคารพพระพุทธเจ้ามีอยู่สายตระกูลหนึ่งมีเจ้าชายสององค์พี่น้องกันคือเจ้าชายมหานามะกับเจ้าชายอนุรุตเจ้าชายมหานามะก็ถามเป็นพี่ถามน้องชาย ว่าน้องจะบวชหรือพี่จะบวชบ้านเราต้องบวชหนึ่งคนเป็นกติกาของศักยะเราจะต้องบวชหนึ่งคนพระนุรสถามว่าถ้าบวชแล้วต้องทําอะไรบ้างก็ต้องนุ่งผ้าบังสกุลผ้าที่ไปเก็บมาจากกองขยะผ้าจีวรดีๆอย่างที่พระรุ่นนี้ใช้ไม่มีหรอกต้องไปเก็บเศษผ้ามาเย็บมาย้อมเอาเองนุ่งผ้าบังสุขุล ฉันอาหารบินทบาตเท่าที่เขาให้เป็นขอทานนั่นแหละอยู่โคนไม้เจ็บป่วยเป็นไข่ฉันปัสวะดื่มปัสสวะน้ำปัสวะอย่าดองน้ำมูดฟังแล้วน่ากลัวนะนายกอินเดียคนหนึ่งดื่มน้ำปัสสวะทุกวันเลยแข็งแรงมากเลยเช้าชายนุษบอกว่าไม่เอาะ ทุกวันนี้สบายจะตายให้พี่ไปบวชเรอะพี่ชายก็ดีดีนะบอกให้ไปบวชก็ได้นะแต่น้องจะอยู่คลองเรือนต้องรู้วิชาคลองเรือนของคารวะต้องทําอะไรบ้างต้องหัดทานาไปไถนานะเอาน้ำเข้านามาไถนาพอไถนาเสร็จแล้วมาหวานข้าวแล้วค่อยดูแลไม่ให้น้ํามากน้นําน้อยไป คอยไล่มแมลงไล่นกนะไม่ให้มากินข้าวปูนามาก็จับไปทำปูเค็มอะไรอย่างนี้เนาะไล่ไล่หนูไล่เลยถึงเวลาข้าวออกรวงไปเกี่ยวข้าวมาใส่ยุ้งไช่ฉางไว้น้องชายก็ถามงานมีเท่านี้เหรอมอบมีเท่านี้แหละแต่ทุกปีต้องทำอย่างนี้พรนุรุษบอกว่าโฮมันไม่มีวันสิ้นสุดในงานอย่างนี้ ถ้าต้องทำงานแบบไม่ไม่มีจุดสิ้นสุดเลยไม่เอ า, าขอไปบวชดีกว่า <c oughs> ถ้าทางไม่ชอบทำงานท่านไปบวชได้เป็นพระอราหันต์เป็นเอกตักค้าเป็นเลิศในทางได้ตาทิพย์คว่าตาทิพย์ไม่ใช่มองทะลุกําแพงอะไรนะคำว่าทิพย์ระจักษ่ของท่านก็คือรู้ว่าคนไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหน ท่านมีที่ประจักษ์สูต ร, รที่เลิ่กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเว้นแต่พระพุทธเจ้าใครก็สู้ท่านไม่ได้ท่านเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายต้งเป็นพันพันตัวนะในเวลาเพียงครู่เดียวไปตายตรงนี้ไปเกิดที่นี่ในเวลาครู่เดียวในคัำพีบอกว่าท่านมีที่ประจักษ์สูตเลิ่กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสามารถเห็นสัตว์ตั้งพันโลกธาตนะุเกิดดับอยู่ทั้งพันโลกธาตุในเวลาครู่เดียว หโลกธาตุจริงๆก็คือตัวเรานี่เองหนึ่งโลกทาล่า น, นาอาจจะเห็นดาวต่างดาวอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอย่างน้อยท่านเห็นสัตว์ที่ท่านรู้จักเนี่ยเกิดดับได้เยอะแยะเลยเป็นพระอราหันต์ไปองค์หนึ่งนะพี่ชายเป็นเจ้าเมื่อเจ้าพระเจ้าสุดโททนะสวรรคตเชื่อสายทางเจ้าสุดโททนะไม่เหลือเลย พอเจ้าชายสิทธัตถะมาเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าชายนันท h ลูกชายคนรองก็ออกบวชหลานคือพระราหุนก็ออกบวชสายสกุลสุทโธทนะเนี่ยขาดเจ้ามหานามาขึ้นมาเป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกครองกบิลพัท ส, สุดท้ายถูกหลานนะวิทูตภะวิทูตภะเนี่ยเป็นลูกก็ถือว่าเป็นจันทัน พ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นนางทาสีโอ้เรื่องยาวสรุปความนะก็คือถูกหลานเนี่ยลูกลูกของมหานามะเป็นผู้หญิงนะมีหลานลูกไอ้ตบไอ้ตบไม่ใช่เมียเมียของมหานามะที่มีลูกเขาไม่ได้เป็นวรรณะกษัตริย์งัเนเจ้าหญิง คนนีที่เป็นลูกมหานามะเนี่ยไม่ได้เพียวในวันนงกษัตย์พอพระเจ้าประสศทธิที่โกรลสอยู่อีกเมืองหนึ่งอยู่สาวัตถีอยากเป็นญาติเก่าพระพุทธเจ้าก็เลยมาขอลูกสาวของสักรรยะสักรรยะนี่เป็นพวกที่โย่อหยิ่งในสายเลือดมากเลยไม่ยอมให้สายพันธ์แท้ไปนะเอาูกกับคนใช้ไปให้ไป งั้นวิทูถภาออกมาเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นลูกกษัตริย์เผิวๆนะเป็นจันทร์านนี่วันหนึ่งวิทูถภาอยากจะไมี่ยมตามาที่กบิลพัฒพวกเจ้าสักยะที่อายุน้อยกว่าวิทูถภาเนี่ยออกไปอยู่บ้านนอกหมดเลยทําเป็นว่าไปปิกนิกพอดีเลยวิทูถภาได้เจอแต่เจ้าสักยะแก่ๆตัวเองต้องไหว้เขาข้างเดียวพวกนั้นไม่ยอมไหว้ถือว่าเป็นจันทานพอวิทูถภากลับนะ พวกกบิลพัทก็เอาน้ำนมมาอะไรนะล้างเลยที่มันนั่งตรงไหนมันเหยียบตรงไหนต้องล้างจันทานเผยเผยพิทุทพะแกลืมอาวุธไว้ลืมมีดตื่มอะไรไว้ให้คนใช้ให้ทหารมาดูมาเอาคืนมันมาเห็นเข้าว่ากําลังทําพิธีอย่างนี้อยู่มีทุทธพะแครนเลยว่าจะต้องเอาเลือดศักยะล้างแผ่นดินบ้างไม่ใช่เอาน้ํานมล้างนะตเราเอาเลือดล้าง สุดท้ายแกยึดอำนาจจากพ่อแกเปรียที่โกศลถูกยึดอำนาจลูกชายยึดอำนาจยึดอำนาจได้แล้วก็มายกทัพมาตีกบิลพัทครั้งที่หนึ่งพระพุทธเจ้ามาห้ามไหมท่า น, นก็พยายามมาห้ามนะห้ามไม่สำเร็จท่านก็ปล่อยปล่อยมิถุนทพานี่ตีกบิลพัทแตกพวกเจ้าศักยะเนี่ย เราก็สั่งเลยว่าถ้าเจอเจ้าศักยะนะให้ฆ่าทิ้งให้หมดเลยยกเว้นมหานามะที่เป็นตายกเว้นตาไว้คนเดียวนอกนั้ฆ่าให้หมดเลยพวกเจ้าศักยะเนี่ยถือศีลห้าพอเขามาถามนะว่าเป็นเจ้าศักยะหรือเปล่าถ้าเป็นจะฆ่าทิ้งก็บอกว่าเป็นเขาก็ฆ่านะศักยะบางองเนี่ยก็กลัวตายเหมือนกันไปถือต้นอ้อต้นอะไรขึ้นมานะทำเป็นถือไว้อย่างเงี้ย ถ้าถามเป็นเจ้าสักยะหรือเปล่าไม่ได้เป็นแล้วก็พูดเบาๆเป็นต้นอ้อทําใจว่าเขาถามว่าไอ้ที่ถือเนี่ยมันเป็นสักยะหรือเปล่าเอเก่งเหมือนกันนะพวกนี้ก็รอดไปนะเออสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยส่วนมหานามะเนี่ยเป็นตาเขาไม่ฆ่านะเขาทรมานด้วยกันให้มานั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันสําหรับเดียวกัน โอ้ขัติยะถือตัวสูงสุดเลยนะถึงขนาดเล่นเล่ส่งลูกคนใช้ไปให้อย่างเงี้ยจะต้องมานั่งกินข้าวกับจันทา น, นทนไม่ได้นะทำเป็นว่าเนี่ยขาไปทำธุระหน่อยไปฉีดหน่อยไปอะไรนะแล้วไปโดดน้ำตายเลยฆ่าตัวตายเห็นไหมในวันนั้นนะถ้าองค์นี้ออกบวชนะองค์นี้ก็รอดนะมานามะก็รอดแต่ว่า อยู่เป็นกะลาวา่าดไม่รอดน้องชายถ้าน้องชายยังอยู่ก็คงไม่รอดนะน้องชายไปบวชเป็นพระอราหันต์ปฏิสัมพิธาด้วยนะเก่งด้วยนะได้ตาทิพด้วยเป็นเอตทักคะด้วยชีวิตมันมีจุดที่หักเหนะพวกเราเนี่มันหักเหจนมาถึงวัดแล้วไม่ธรรมดาหรอกนะกว่า ม, มันจะหักเหมาจนถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่ง่ายหรอกนะ ต่อไปนี้หักเขให้มันดีนะหักขึ้นลูกเดียวเลยนะอย่าหักลงหักซ้ายหักขวามานานแล้วต่อไปนี้หักขึ้นเรื่อยๆนะอย่าถอยนะถอยก็โง่แล้วนะชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะเราจะอยู่กับความไม่แน่นอนได้อย่างมั่นคงด้วยธรรมะงั้นเรามาหัดปฏิบัตินะสรุปการปฏิบัติไม่ยากหรอกนะรักษาศี่ห้าไว้ก่อน รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะสิ่งห้าไม่ต้องขอคนอื่นตั้งใจรักษาเอาเองตั้งใจว่าเราจะไม่ทำบาปอากุศลทางกายทางวาจาห้าอย่างนะรักษายากไหมยากมากสําหรับฆราวาสหลวงพ่อก็เคยใช้วิธีของพวกศักยะเหมือนกันตอนนั้นเราเป็นข้าราชการผู้น้อยนะหัวหน้ากองมาสั่งอยู่ในห้องอ่ะอยู่ห้องติดกันอะ่ะ บอกควรประโมทใครโทรศัพท์มาถึงพี่นะบอกว่าพี่ไปประชุมนะพี่จะรีบทำงานฮะใชใ้เราโกหกว่ะเวรกรรมเอาโทรศัพท์มานะแล้วก็พูดเบาๆมือนับกองสั่งว่าไปประชุมครับอ <laughs> <laughs> เหมือนกับถือต้นอ้อเลย <laughs> ไม่รู้จะทำไงอะ่ะไปนั่งกินข้าว ผู้ใหญ่เัาก็กินเหล้าไม่ชอบเรียกให้เรากินเหล้าเราไม่กินเราอยากกินแต่กลับใหม่ๆเขาก็บน่นสุดท้ายเราเอาบ้างไม่ได้เอาบ้างกินเหล้านะหมายถึงผสมเหล้าให้เขากินไปเลยมันจะได้หมดเร็วๆไม่มาเรียกเราเวนะลาผสมเหล้าเราก็ผสมของเรามาแก้วหนึ่งใส่น้ำแข็งนะเติมโซดานะเอาเป๊ปซี่หยดสักสองสาหยดนะเหมือนเปียบเลย คราว น, นี้ชนแก้วใครมาเลยสู้ทั้งประเทศเลยเราก็ากินของเราเราไม่ได้บอกว่าเรากินเหล้าด้วยนะเขาเห็นสีเหมือนกันไม่เป็นไรอาสาชงเหล้ามันตลอดเลยโหยากนะกว่าจะรักษาศีนเอาตัวรอดได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆหรอกสารพัดวิธีเลยนะต้องใช้สติใช้ปัญญารักษาศีน การคารวะเนี่ยจะรักษาศีลให้สะอาดหมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยทาได้ยากพระพุทธเจ้าท่านบอกแต่ต้องพยายามวิธีที่เราจะรักษาศีลได้ดีขึ้นดีขึ้นนะก็คือรักษาให้มันแน่วแน่อย่างหลวงพ่อเราไม่กินเหล้านี้ใครๆก็รู้ตอนนั้นเราไปพอซีเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะใครมานั่งโต๊เราไม่กล้ากินเหล้าเลยกลัวเราว่า ก็เรามองด้วยสายตาตำหนิติเตียนเกินเล่าอย่างเงี้ยนะงั้นถือศีลถือให้จริงนะแล้วมันจะมีอานิสงส์อานิสงส์การรักษาศีลให้ดีที่สุดสกมนะ็มีสติรักษาจิตเมื่อวานสอนแล้วนะมีสติรักษาจิตกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันถ้าเรารู้ทันได้กิเลสครอบงําจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้น ครนะาวนี้ก็ใช้สติปัญญารักษาสีเนาเ็าลักกันนะต่อไปก็มาฝึกจิตใจถ้าจิตใจฟุงนะ้งซ่านนักก็มานึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะให้จิตใจมาอยู่ในสิ่งเดียวที่มีความสุขถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขเราก็มาอยู่กับลมหายใจเราคิดถึงพระพุทธเจ้ามีความสุขเราคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยมีความสุข ถ้าเราอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขนะจิตจะสงบเองเพราะจิตจะไม่วิ่งพล่านไปหาความสุขที่อื่นเราะั้นเราพุโทโธมีความสุขเราก็พุโทโธไปหายใจมีความสุขเราก็หายใจไปดูท้องพองยุบมีความสุขก็ดูไปเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินไปฝึกไปเรื่อยเราจะได้จิตที่สงบมีความสุขมีความสุขความสงบเกิดขึ้น มีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะไม่ใช่ความสุขความสงบแต่เป็นความตั้งมั่นของจิตอันนี้ก็ต้องฝึกต้องฝึกให้มากด้วยจะเป็นสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาวิธีฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสงบสะอาดสว่างขึ้นมาวิธีฝึกก็ทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งอย่างที่เคยทำนั่นแหละเคยพุโทโธก็พุโทโธเคยหายใจก็หายใจแต่ก็ว่าหายใจแล้วพุโทโธแล้วไม่ใช่น้อมจิต ไปอยู่กับพุโทโธไม่ได้นํอมจิตไปอยู่กับลมหายใจหายใจไปพุโทโธไปดูท้องพองยุบไปอะไรก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดหรือจิตไหลไปเพ่งอารมณ์อันเดียวเช่นจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตไหลไปคิดก็รู้ตรงที่เรารู้ว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นหยุดการไหลชั่วขณะ ตอนที่จิตไหลไปเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดไปรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรเลยจิตจะตั้งมั่นเองไม่ฟุ้งซ่านไม่ไหลไปนะพอจิตตั้งมั่นแล้วก็มาเดินปัญญาปัญญามีสองระดับปัญญาก่อนวิปัสสนากับปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญาก่อนวิปัสสนาก็คือหัดแยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้ก่อน ค่อยๆฝึกพอจิตเราเป็นคนดูแล้วเราก็เห็นร่างกายหายใจจิตเราเป็นคนดูอยู่จะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตนั้นเป็นโคละนกันร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูอยู่เราจะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตนะเป็นโคนละอันกันกายกับจิตจะแยกออกกันพอดูร่างกายมากๆเราก็จะเห็นเลร่างกายนี้มีความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาเราก็ดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่ต่างหากเราก็จะเห็นว่าร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่ง ความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายไม่ใช่ร่างกายหรอกมันมาทีหลังแล้วจิตที่เป็นคนดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราแยกได้3ขันนะแยกร่างกายคือส่วนของรูปประคันความปวดความเมื่อยเป็นเวทนาขันจิตเป็นวิญญาณขันแยกได้3ขันล้จาก5ขันใช้เวลานิดเดียวแหละไม่ยากหรอกนั่งแล้วก็ดูไปมันปวดมันเมื่อยก็ค่อยๆดูไปร่างกายกับความปวดเมื่อยคนละอันกันนะ ความปวดเมื่อยกับจิตก็คนละอันการร่างกายกับจิตก็คนละอันนี่ซ้อมไปด้วยเป็นการฝึกเจริญปัญญาก่อนที่จะไปทําวิปัสนาปัญญามี2 ส, ส่วนนะปัญญาก่อนวิปัสนากับ ป, ปัญญาที่เป็นวิปัสนาก่อนวิปัสนาเนี่ยจะเริ่มจากการแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันหัดแยกเป็นส่วนๆบางคนแยกกายไม่เป็นามาแยกทางจิตเช่นคนไหนขี้โมโหเราก็คอยรู้สึกพอความโกรธเกิดขึ้น เราก็เห็นเลเมื่อกี้จิตไม่กโกรธตอนนี้จิตกโกรธเพราะความกโกรธกับจิตนี่เป็นขวนละอันกันจะเห็นเลยความกโกรธเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาทีหลังเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ความกโกรธหรอกไม่ใช่ตัวจิตหรอกนะความโลภความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นสิ่งที่แปลปลอมขึ้นมาในจิตทั้งหมดเลยจิตเป็นคนไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกการที่เราเห็นว่าความสุขความทุกข กัจิตเป็นโคล้านกันนึเราก็แยกขันธ์ความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันธ์ตัวจิตเป็นวิญญาณขันธ์อย่างน้อยแยกได้2ขันธ์ก็ใช้ได้หรือความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่จิตหรอกเราก็จะแยกได้ความสุขความทุกข์มันก็แบบหนึ่งความโลภความโกรธความหลงมันก็แบบหนึ่งก็คนละขันธ์กันความสุขความทุกข์ก็เป็นเวทนาขันธ์ความโลภความโกรธความหลงเป็นสังขารขันธ์ จิตเป็นมี ญ, ญาณขันธ์นี่ก็คือการหัดแยกขันธ์นั่นเองแยกสิ่งที่ตัวเรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆแยกได้ทั้ง5ส่วนก็ดีที่สุดถ้าแยกไม่ได้อย่างน้อยแยก2 ส, ส่วนคือกายกับใจหรือจิตใจนะกับความสุขความทุกข์ทางใจหรือจิตใจกับกุศลอกุศลทั้งหลายโลภปลดหลงทั้งหลายนะแยกอะไรก็ได้นะแต่มีใจเป็นอันนึงเป็นตัวร่วมในทุกๆสถานการณ์ ถ้าแยกทางกายก็ม so well, ีกายอันหนึ you, life, you you ่งมีใจอันหนึ่งถ้าแยกเวทนาก็มีเวทนาอันหนึ่งมีใจอันนึงแยกสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงอันนึงนะใจเป็นคนดูอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเราต้องฝึกจะมีใจเป็นคนดูงั้นเวลาที่แยกขันเนี่ยจะต้องมีใจที่เป็นคนดูอยู่ซึ่งตัวนี้เราได้มาจากการซ้อมเวลาจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เราเลยได้ใจที่เป็นคนดูเราถึงจะแยกขันออกถ้าไม่มีใจเป็นคนดูนะ ใจเราที่แหละจะรวมเข้ากับขันอื่นๆรวมเป็นก้อนเดียวกันเลยนั้นเราต้องมีสมาธิมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นเสียก่อนเราถึงจะแยกขันได้นะนี่พอแยกขันแล้วเราก็จะเริ่มเห็นความจริงของขันนะเช่นความโกรธมันต้องมีเหตุนะอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกมันมีเหตุให้เกิดนะความโลภความหลงก็มีเหตุนะร่างกายก็มีเหตุอย่างร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตมันเป็นคนสั่งให้ยืนเดินนั่งนอน ร่างกายเป็นวัตถุจิตมันสั่งให้ทำงานไปมันก็มีเหตุให้เกิดเหมือนกันร่างกายที่ยืนก็นเพราะมีจิตที่สั่งให้ยืนอย่างเงี้ยแล้วร่างกายยังมีความคล่องแคล่วทาดขันทาามันยังทำงานได้ว่องไวยังเดินได้อะไรได้แล้วจิตสั่งมันก็เดินเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันมีเหตุทั้งหมดเลยนะแล้วทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์การที่เราแยกขันมาเราจะค่อยๆเห็นขันแต่ละขันนั่นะ เกิดแล้วก <the> ็ด you know ับไปเกิดแล้วก็ด <spielt> ับไปเช่นเราเห็นใจที่มีความสุขเรารู้ว่าความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นโครลานกับจิตเราก็จะรู้เลยว่าความสุขนี่มันก็ไม่เที่ยงนะแต่ก่อนก็เคยมีความสุขแล้วความสุขก็หายไปแต่ก่อนเคยมีความทุกข์แล้วความทุกข์ก็หายไปนะแต่ก่อนเป็นสุขตอนนี้เป็นทุกข์แต่ก่อนเป็นทุกข์ตอนนี้เป็นอุเบกขาอะไรเงี้ยจะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นการเห็นความเปลี่ยนแปลงของ สองออบเจกต์สองสิ่งเช่นเราเห็นร่างกายเราเนี่ยไม่เที่ยงเพราะร่างกายตอนเด็กหน้าตาแบบนี้ร่างกายตอนเป็นวัยรุ่นหน้าตาอย่างนี้ตอนโตเป็นหนุ่มสาวอย่างนี้หน้าตาตอนแก่อย่างนี้เนี่ยไปดูรูปแล้วร่างกายไม่เที่ยงจิตใจนะเมื่อวานนี้สดชื่นวันนี้เศร้าหมองละเนี่ยเทียบคนละอันเทียบคนละจุดกันคนละห่วงเวลากันอันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะเป็นปัญญาก่อนที่จะถือวิปัสสนา อันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องในโสโรถยานให้เรียกสมมัสนยาณมันเห็นไตร ล, ลักษณ์เหมือนกันจะเห็นด้วยการเทียบออกเทียบคนละเวลาคนลอ็อฟเจ็ตตรงที่เกวเวอรดิมิปัสสนาแท้ๆเนี่ยอ็อฟเจ็ตตัวเดียวกันนี่แหล ะ, ะเช่นความสุขเกิดขึ้นก็เห็นตัวความสุขนี่ลมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วความสุขตัวนี้แหละหายไปไม่ใช่รู้ว่าความสุขไม่เที่ยงเพราะว่าเมื่อวันสุขวันนี้ทุกเมื่อวันทุกวันนี้สุขอันนั้นเปรียบเทียบออก ถ้าเปรียบเทียบยังไม่เป็นวิปัสนาต้องตัวเดียวกันนะต้องตัวเดียวกันความทุกข์เกิดขึ้นเราก็เห็นความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่เราหายไปเออความทุกข์นี่ไม่เที่ยง น, นี่ต้องเห็นลงอย่างนี้นะ <S <S ถึงจะเรียกว่าวิปัสนาจริงๆไม่ใช่คิดเปรียบเทียบเอาถ้าเทียบเอายังไม่เป็นวิปัสนาตรงที่มันถึงวิปัสนาเนี่ยเมื่อเราทําวิปัสนาไปช่วงหนึ่งจะเกิดวิปัสสนุปะกิเลสวิปัสสนุปะกิเลสเนี่ยมันยั่วเราให้หลงทาง เป็นกับดักอันใหญ่เลยถ้าเราทําวนะิปัสนาแล้วยังไงก็เจอวิปัสโนวิปัสโนมีทั้งสิบอย่างเช่นเราบอกเราดูจิตตัวจิตอยู่นะเจ็ดแล้วจิตมันเคลื่อนออกไปอยู่ข้างหน้าไปสว่างโล่งว่างสบายมีความสุขอยู่นะนะั้นกี่วันกี่วันก็โล่งว่างสบายมีความสุขนะงั้นะสว่างอยู่งนะั้นเป็นวิปัสโนชื่อโอาภาสวิปัสโนตัวที่หนึ่งเลยชื่อโอภาสนั่งดูจิตนนะั่นแหละจะมาเจอโอภาสเป็นหลักเลยนะ มิปัสนูมีตั้งสิบตัวแต่ทั้ง10ตัวเกิดจากสาเหตุเดียวกันคือจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานเห็นไหมหลวงพ่อถึงย้ำนักหนาว่าจิตต้องตั้งมั่นนะตัวที่มันสว่างออกไปข้างนอกนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนออกไปข้างนอกจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเลยมิปัสนูจะหายไปเลยถ้าเมื่อไร่จิตตั้งมั่นมิปัสนูจะหายเลย น, ะนี่เป็นกฎเลยนะเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสำคัญมากเราต้องซ้อมให้เยอะเลยจิตไหลแล้ว ร, รู้จิตไหลแล้ว ร, รู้ต้องซ้อมให้มาก ไม่งั้นทำวิปัสนานะจะมาตายตรงวิปัสนูนี่แหละนึกว่าเป็นผ้าละหัน์ไปแล้วนะแไม่เป็นหรอกอย่างเป็นหมูหันนะจบถูกเขาย่างอีกไม่รอดหรอกพอจิตเราตั้งมั่นครวนี้เราก็จะเห็นทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมา ท, ทั้งหลายนะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปตัวมันเองแหละเกิดแล้วก็หายไปตรงนี้เรียกว่าเห็นอนิจจ์ตรงที่มันยังตั้งอยู่ยังไม่ทันจะหายเนี่ยมันก็ถูกบีบคั้นให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลา อันนี้เรียกว่าทุกขังนะทุกขลักษณะการที่มันจะเกิดมันจะตั้งอยู่หรือมันจะดับไปเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่เรียกว่าเห็นอนัตตาการทํำวิปัสสนานั้นต้องเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาใช้คําว่าหรือนะไม่ใช่เห็นอนิจจังและทุกขังและอนัตตานะเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้ในเวลาจะบรลาารลุพระอรหันต์ก็เห็นอันเดียวหลยนะ ไม่ใช่ต้องเห็นทั้งสามันแต่เวลาเราฝึกเราไม่ต้องไปกงังวลว่าเราจะดูอนิจจังดีหรือดูทุกขังดีหรือดูอนัตตาดีใครรู้ลงปัจจุบันเฉพาะหน้าไปนะจิตมันดูของมันเองแหละมันเลือกมุมที่มันจะลงบางคนดูเห็นมันเกิดดับเกิดดับใจไม่ยอมปล่อยเลยนะพอใจเฉลียวเรื่องความเป็นอนัตตาปุ๊ปล่อยเลยนะเพราะฉะั้นเวลาปฏิบัติต้อปฏิบัติเหมือนเหมือนกันนะแต่เวลาที่จิตมันจะแจ้งนะีมันจะเลือกมุมที่แจ้งเองว่าจะอนิจจังทุกขังอนัตตา เมราฝึกให้มากพอแล้วเนี่ยถึงจุด1 น, นะสติเราอยางอตโนมัติอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายนิดเดียวก็รู้โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้อะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนิดเดียวก็รู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้ไม่มีเจตนาถ้ามีเจตนาอยู่อริยมรรคยั ง, ยงไม่เกิดแต่สิ่งที่จะเกิดคือพบเจตนาทางใจนี่อ็มโนสัญญะเจตนาเป็นตัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมให้เกิดการสร้างภพ ดิ้นรนปรุงแต่งเพราะงั้นเรามาฝึกทุกวันทุกวันนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้ไปด้วยสติเราจะค่อยๆพัฒนาขึ้นแล้วต่อไปพอจิตขยับตัวเคลื่อนไปเราก็เห็นจิตกี่จะตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติระลึกรู้โดยไม่เจตนาระลึกจิตเคลื่อนไปเรารู้ฐานสติระลึกปุ๊บจิตจะตั้งมั่นโดยไม่เจตนาตั้งมั่น แล้วการที่เราคอยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ดับไปนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งปัญญาจะอัตโนมัติไม่ว่ามองอะไรนะไม่ได้เจตนาจะมองเป็นไตรลักษณ์เลยมันจะมองเป็นไตรลักษณ์ด้วยตัวของมันเองไม่ต้องคิดนําเลยนะเมื่อสติสมาธิปัญญาทํางานโดยอัตโนมัติแล้วเนี่ยจิตจะค่อยพัฒนาขึ้นไปนะในเวลาที่จะเกิดอริยมรรคนะี่ยจิตจะรวม จิตจะรวมลงที่ไหนบอกแล้วว่าสมาธิมีสองที่รวมลงที่อารมณ์กับรวมลงที่จิตจิตจะรวมลงที่จิตเท่านั้นนะจิตจะไปรวมที่อารมณ์แล้วก็เป็นสมถะเลยจิตรวมลงที่จิตโดยไม่เจตนานี่ว่าสมาธิเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้เจตนาสมาธิที่รวมลงมาครั้งนี้เป็นสมาธิที่มีกำลังกล้าเข้าถึงอัปปนาสมาธิเข้าถึงฌานโดยอัตโนมัติตั้งแต่หนึ่งสสาสี่ห้าเจ็ดแปด ตั้งอยู่ที่จิตนี่แหละถึงฌานที่8ได้เลยเมื่อตั้งอยู่แล้วไม่ตั้งเฉยมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตสติระลึกโดยไม่ได้เจตนานะแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเห็นแค่สิ่งบางสิ่งปรากฏแล้วสิ่งนั้นดับไปสิ่งบางสิ่งปรากฏสิ่งนั้นดับไปสติเฝ้าระลึกอยู่แค่นี้แล้วมันก็มีปัญญาอย่างลงไปรู้ทันว่าทุกอย่างนั้นเกิดแล้วดับปัญญาก็ไม่ได้เจตนาจะคิดพิจารณานะ นั้นถึงจุดที่จิตรวมลงเป็นสมาธินะแล้วสติก็ทํางานอัตโนมัติปัญญาก็ทํางานอัตโนมัติทุกอย่างอัตโนมัติหมดเลยนะองค์ธรรมฝ่ายกุศลทั้งหลายเนี่ยจะรวมลงที่เดียวกันคือรวมลงที่จิตงั้นตัวสัมมาสมาธิคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยจึงเป็นภาชนะนะเหมือนเป็นหม้อเป็นไหเป็นตุ่มน้ำอะไรเนี่ยเป็นภาชนะนะที่รองรับ คุณธรมความดีทั้งหลายแหลรวมทั้งองค์มรรคทั้งเจดที่เหลือตัวจิตที่มีสมาธิอยู่ตรงนี้เรียกว่ามีสัมมาสมาธิแนละ้วสัมมาสมาธิเนะี่ยเป็นที่ประชุมเป็นที่รองรับองค์มรรคอีกเจตัวที่เหลือนะให้รวมลงในที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันเราจะรวมความดีทั้งหลายแหล่ที่เราสะสมมาในวัดตาสงสารซึ่งมากมายไก่กองเนี่ยนะจะรวมพลังลงมาในที่เดียวกันคือที่จิตในขณะเดียวกัน มันจะเกิดพลังอันมหาศาลขึ้นมาพลังนี้แหละถึงจะแหวกถือจะทําลายอาสวะที่ห่อหุ้มจิตอยูนะ่เข้าไปทําลายล้างกิเลสส่วนลึกในใจของเราได้ทําลายสังโยชน์ได้ดังนั้นเวลาที่จะทําลายสังโยชน์นะี่จิตจะต้องถึงอัปปนาสมาธิแต่ว่าเป็นอัปปนาสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะแล้วก็สติปัญญาอะไรต่ออะไรเนี่ยทำงานอัตโนมัติเป็นหมดเลยช่วยกันทํางานฆ่ากิเลส คล้ายๆกันรุมฆ่ากิเลสนะเป็นการรุมรุมครั้งใหญ่เลยนะคุณงามความดีทั้งหลายตัวนะมาช่วยกันฆ่ากิเลสทีเดียวเลยกิเลสถึงจะตายนะถ้าวันนี้รักษาศีลพรุ่งนี้นั่งสมาธิมลืนจเจริญตัญญาฆ่ากิเลสไม่ตายแล้วมีแต่ถูกกิเลสฆ่าตายเงนะั้นเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยไม่มีเจตนาถ้ายังลุ้นอยู่ว่าจะเกิดแล้วจะเกิดแล้วไอ้นั่นแหละ เกิดเกิดตายตายไ<า><า>ม่เกิดอระยะิยมรรคงั้นไปเรียนนะไปฝึกให้ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกไม่ยากหรอกมีสติรู้ทันจิตไว้นะกิเลสเกิดรู้ทันเราจะได้ศีลจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันเราจะได้สมาธนะิทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเรามีสติอยู่นั้นเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปเราเป็นแค่คนดูอยู่เราจะได้ปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาพอจิตจะทําหน้าที่ตัด ของเขาเองอริยมรรคนั้นไม่มีใครสั่งให้เกิดเกิดเองเมื่อสติสมาธิปัญญานั้นแก่รอบเพียงพอแล้วนะเรามีหน้าที่พัฒนาคุณภาพของมันไปเรื่อยๆนะพัฒนาคุณภาพสติสมาธิปัญญาของเราเรื่อยๆไปถึงวันที่แก่รอบแล้วเขาตัดของเขาเองเวลาตัดนะบางคนก็เห็นละเอียดยิบเลยนะถ้าพวกที่ทรงฌานมากๆนะแล้วปัญญาแก่กล้าจะเห็นกระบวนการที่ตัดกิเลสเนี่ยเขณะ ติดต่อกันทํางานเจดคณะแ้่าบางคนไม่ไม่เห็นเหมือนตกต้นไม้ครูบาอาจารย์เล่าบ่าเหมือนตกต้นไม้วูบเดียวนะอยู่ถึงพื้นแล้วแต่นี้ไม่ตกต้นไม้นี้วูบเดียวหลุดออกจากโลกไปแล้วเข้าโลกุตตะละไปแล้วบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ตัวแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วมาดูเนี่ยความเป็นตัวเป็นตนจะไม่มีอีกละนะเวลาดูลงในกายก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนดูลงในจิตใจก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตน ไปฝึกเอานะไม่ยากหรอกง่ายๆหลวงปูดด่ดินบอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองถ้าสําหรับพวกเราก็คือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติฟังซีดีมามากแล้วต่อไปนี้ปฏิบัติส <laughs> เสีทีอ้าวใครจะส่งกันบ้านเมื่อวานจิตยังไม่ค่อยตั้งมันน่นก็มัน เวลาสภาวะมันเกิดมันจะเห็นมันเร็วมันดูไม่ค่อยทันก็เปลี่ยนมาทําความสงบบ้างก็ถูกต้องค่อยยังชั่วคือถ้าเราดูไม่ไหวเราก็ทําสมถะเห็นไหยสมถะมีประโยชน์ตรงนี้แหล ะ, จะเจริญปัญญาไม่ไหวแล้วดูไม่ทันนะทําความสงบถกต้องพอจิตมีเรื่องมีแรงมันก็กลับมาจเจริญปัญญาต่อพอพอเราเริ่มทําความสงบเนี่ยมันก็มีสภาวะเกิดมันก็ แตเคายัางชั่วแต่ว่าบางทีมันมันเหมือนมันเห็นซ้อนกันอย่างเงี้ยหลวงพ่อตรงข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวไปเอาดูาที่<ม>ท<า>นันเราไม่เอาเอาที่<ก>จิตก็เลยก็เลยมากําหนดใหม่ทีให้รู้ทันที่จิตเอานะสมมติสภาวะเกิดตั้งเยอะแยะเลยดูไม่ทันแล้วนะก็รู้ทันที่จิตอันเดียวอนะเช่นจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่รู้ว่าฟุ้งซ่านเลยนะรู้ดูที่เดียวเลยจิตฟุ้งซ่านอะไรตอนอะไรเยอะแยะหมดนะ พอดูปุ๊บนก็ขาดความฟุง้งซ่านดับจิตตั้งมั่นเลยนะดูอย่างนั้นแหะเมื่อวานภาวนาแบบดูรดูไปเลยตรงๆอะคะ่ะ<ม>เหมือนตอนเช้ากลางวันเนี่ยพอจะดูเห็นได้พอเริ่มเย็ยนๆค่ำๆรู้สึกใจมันวิ่งวนมันหมดแรงแล้วเวลาเราจเจริญปัญญามากๆนะมันเหนื่อยแล้วเราก็ต้องพักนะมิธีพักก็ทำสมถะ พุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องเจริญปัญญาแล้ะก็เลยไปเดินจงกรมค่ะได้ได้แล้วก็ก็เห็นว่าเป็นเห็นเห็นมันเหมือนมันแยกออกมาเห็นร่างกายเป็นตัวป้อมๆเดินอยู่นั่นมันมีกําลังกลับขึ้นมาแยกขันได้อีกแล้วมาเดินปัญญาต่อเห็นถูกตัวป้อมๆเน่ะถูกแต่แต่พอพอไปนอนหลับอะค่ะก็รู้สึกว่าใจมันฟุ้งซ่านแบบไม่รู้เรื่องไมนรู้เ่างมัไเลตอนนอนนั้นช่างมัน ให้ฟุ้งได้ไม่ว่าแล้วเมื่อเช้าไปนอนตื่นมาแล้วแต่ว่าไปนอนนอนเล่นๆแล้วมันจะหลับไปแล้วมันเข้าไปผวังแล้วมันมันมันทุกข์มากมันออกมาจากภวังไม่ได้แล้วก็ร้อนลนมากเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่ากลัวว่าตัวเองภาวนามันไม่โอเคโอเคมันร้อนลนมันตกใจรู้ว่าตกใจต้องดูอย่างนี้นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะพิจารณาเข้าไปเลย มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็พ้นไปมันจะแน่สักแค่ไหนเดี๋ยวมันก็หลุดไม่ต้องกลัวถ้าใครมีกันบ้านจะส่งเท่าที่จําเป็นนะหลวงพ่อเนะราสอนละเอียดยิบเลยนะไม่น่าจะสงสัยเลยนามส ก, การค่ะหลวงพ่ อ, อเออมันอยากถามมากๆมา น, นานแล้วนะคะเรอเอาถามน้อยๆ <laughs> คือตอนที่มาอยู่วัดเมื่อสามปีที่แล้วเออมันเห็นว่าจิตอมันไม่ใช่เรามันแสดงให้เห็นนะคะมันร้องไห้เองแล้วก็ก็กลับเรียนหลวงพ่อวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อบอกว่าจิตอ่ะมันเสียใจที่ว่ามันเป็นหลงในชาแนาลตอนนี้ก็เลยวันนั้นก็เลยไม่ได้ถามหลวงพ่อว่าต้องปฏิบัติยังไงต่อเขาตื่นเต้นเพราะว่ามันเหมือนกับมันหายสงสัยมานานแล้วว่าตอนที่ยังไม่เคยมีครูบาอาจารย์อ่ะนะคะมันเคยพุทโธพุทโธแล้วมันจิต มืนล ม, ลมหายใจมันไม่มีแล้วก็มีแต่ความสว่างะคะ่ะตอนนั้นมันก็ดีใจว่าเออเขานั่งกันอย่างนี้ได้ทั้งวันเพราะมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่อยู่ได้เป็นกลับเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ติดนะคะก็นั่งไม่ได้แล้วอย่างนั้นแต่ตอนที่มาออศึกษาของที่หลวงพ่อสอนเนี่ยใจมันรั่วเนี่ยทางเนี่ยถูกแล้วอะคะ่ะก็ปฏิบัติอยู่แต่ก็เลยยากให้หลวงพ่อช่วยแม่ตาว่าที่ภาวนาอยู่แต่เนี้ยถูกไหมคะจะได้ไม่เสียชาติเกิดอะคะ่ะถู ก, กเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละ เห็นแล้วว่นะค่ะเห็นชัดเจนอยู่แล้วล่วะเห็นแม้สุขทุกข์กับใจก็คนล้านเ<ะ>นะีกุศลอนะกุศลกับใจก็คนล้าน<ะ>ต่อไปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกถ้าวันไหนฟุ้งซ่านก็ทําความสงบมานะพอจิตใจสงบพอสมควรแล้วนะก็เห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทำงานได้ไปเราเป็นแค่คนดูแต่เราไม่ประคองตัวดูไว้ด้วยน ะ, ะตัวผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้<ะ>เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด<ะ>ผู้รู้เองก็เกิดดับ ถ้าเราเห็นขันแยกแล้วขันทํางานไปตัวผู้รู้ซึ่งเป็นผู้ไปรู้ขันนะเกิดแล้วก็ดับได้ด้วยแค่นี้ถูกเป๊้เลยคถ้าวันไหนดูไม่รู้เรื่องทําความสงบไว้แล้วหลวงพ่อเคยสอนให้เห็นหลงมันก็กลับมาเองใจมันกลับมาเองมันต้องเข้าบ้านเองด้วยทำอะไรเขาว่านะคะก็ดูเขากลับมาแล้วก็ไปแล้วก็กลับมาวันนั้นใครไปดูตัวนี้นะใจมันช่างฟุ้งนะอันนี้มันเป็นดอกเบี้ย ของการที่ไปเก็บกฎไว้นานไปเข้าสมาธินานใจมันจะขยันฟุง้งนะแล้วก็รับสภาพมันฟุง้งก็รู้ไปนะแล้วฟุ้งก็เราก็ทำสมถะอะไรไปบ้างใจจะได้มีกำลังขันได้แยกได้ละเอียดรอดีแล้วละ่ะทำถูกแล้วแต่ว่าสมาธิน้อยไปน้องพุธต้องภาวนาเป็นแบบเขาเรียกยัไร น, นะ มีที่หลวงพ่อบอกให้ทําเป็นวิสณิสัยใช่ไหมคะทุกวันทำทุกวันนะพยายามทําทุกวันก็ตอนนี้ใจมันก็อยากเดินจงกรมมัน ก, ก็เดินเขาแล้วก็ดูรูปเขาเดินอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะดูรูปเขาเดินถ้าเดินแล้ว เ, เห็นรูปมันเดินนะเราก็เดินปัญญาอยู่ยังไม่ได้พักใจต้องพักบ้างแล้วพักก็เช่นเห็นรูปมันเดินนะจิตสงบอยู่ที่รูปไม่ฟุ้งซ่านไปไหนเลยไม่เดินปัญญา เวลาที่ต้องการทําสมถะต้องการพักผ่อนไม่เดินปัญญานะต้องใจแข็งปกติคนนักปฏิบัติเนี่ยชอบติดสมถะทำสมถะแล้วไม่เดินปัญญาแต่พอเดินปัญญาเป็นนีจะเหมือนกันหมดเลยไม่อยากทําสมถะก็ต้องบังคับให้มันทำนะถึงเวลาทําความสงบเข้ามาบ้างใจจะได้มีกําลังทําความสงบคือสมาธิแล้วก็พุโทโธพุธโทโธใช่ใช่ทำพุโทโธให้จิตสงบอยู่กับพุโทโธไม่ไม่ต้องพิจารณาอะไร ไม่ต้องแยกธาตุแยกขันธ์สงบลูกเดียวเลยพักผ<ว>่อนให้จิตมันพักผ่อนใช่ไหงใช่ใช่ของคุณนะขาดสมาธิส่วนการเดินปัญญานะ่ยชำนี้ชํานาญแล้วอจะไปทิ้งสมาธิซะ น, นี่เป็นอนมีแต่สมาธิไม่เดินปัญญาตอนนี้เดินปัญญาไม่เอาสมาธิซะอีกแล้วกร <นะ S 1> าบนมำสการพระอาจ า, ารย์ครับออือคือก่อนหน้านี้ พระอาจารย์สอนให้จับความสุขแล้วก็แผ่ความสุขออกไปแล้วก็ก่อนหน้า น, นี้ก็คือจับความสุขจา ก, จากสติที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอหลังๆแล้วมันนิสัยเสียครับมันคือเหมือนกับว่าพอคิดจะทําแล้วมันก็จิตมันสร้างความสุขก้อนความสุขขึ้นมาเองเลยครับแล้วก็แต่ก็มองก้อ น, น, นความสุกนั้นไปอันนั้ น, น, นที่หลวงพ่อให้ทำเนี่ยต้องเพื่อแก้อะไรสักอย่างนึง่งใช่ไหม ออตอนนั้นคือเหมือนจะแผ่เมตตาครับอาจารย์อ๋อจแผ่เมตตาสิ่งที่ได้ได้สมาธินะพอชำนี้ชํนานาญทําเมื่อไหร่ก็ได้ครับนี่เราค่อยๆมาฝึกเอาเพาจิตใจเราสงบสบายแล้วนี่นะดูร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันของคุณดูได้อยู่แล้วละครับใช่ไหมครับใช่ครับนะแล้วก็ดูไปร่างกายมันทํางานจิตมันเป็นคนดูแล้วถ้าจิตมันสุขมันทุกข์มันดีมันชัว่วเราดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยนะ มีใจที่สบายมีความสุขนั่นแหละเป็นคนดูของเขาครับแล้วก็มันเหมือนพอพอออกมาจากไอ้ตรงจับก้อนความสุขเนี่ยครับมันเหมือนกับบางทีมันก็พยาบาทวิตกค่อนข้างเยอะอย่าไปติดในความสุขตัวนั้นนะถ้าจิตมีความพอใจในความสุขให้รู้ทัน ใ ห, ให้ทิ้งตรงนี้ไปถ้าถ้าจิต ม, มันติดความสุขเนี่ยหมายถึงว่ามันพอใจแล้วเราไม่รู้ว่าพอใจให้ทําได้นะให้มีความสุขได้แต่พอใจในความสุขให้รู้ <tokens> พอเราติดในความสุขแล้วออกมากระทบข้างนอกเนี่ยพยาบาทวิตโอมันจะรุนแรงเพราะมันติดสุขครับวิธีแก้ไม่ให้ติดสุขก <Sound> ็คือรู้ทันว่าพอใจในความสุขถนะ้ารู้ทันว่าพอใจในความสุขแล้วไม่ติดแล้วเราก็มีความสุขไปเรื่อยๆออกมาจิตไม่ได้ติดเนี่ยไม่ได้หิวความสุขนะ กระทบอารมณ์มันก็ไม่รุนแรงเห็นไหมว่าเจริญเมตตาแล้วมีความสุขมากเลยครับดีเจริญเมตตาเจริญเมตตาดีหลายอย่างนะพระเจ้าบอกเมตตาด้วยศัตรูอาวุธคุณใสอะไรพวกนี้ปลอดภัยหมาบ้าก็กัดเหมือนกันนะเจริญเมตตาต้องคอยหลบนะเห็นหมาบ้าวิ่งมาช่วงเป็นสุกเป็นสุขเถื่โง่แล้วางั้นล่ะต้องหลบนะเราเจริญเมตตาเรื่อย คนที่ปกติอะไรเงี้ยไม่ทำร้ายเราไอ้พวกผิดปกติมีสัตว์ที่เจริญเมตตาแล้วเราต้องระวังนะมีสองตระกูลนะบางทีเจริญเมตตาแล้วสัตว์ทั่วๆไปรับง่ายงูเห่าเนีจยเราเจริญเมตตานะจะเชื่องเชื่องไม่ดุมีสองตระกูลที่แผ่เมตตายากคือคนกับไกวพูดจริงๆนะคนที่แผ่เมตตายากนะกับไกวเนยะขอบพระคุณพระอาจารย์ วัวแผ่เมตตาง่ายนะควายแผ่เมตตายากกว่าตาจะกวางขวางกลับนมัสี่การพระอาจารย์ค่ะคือคือปฏิบัตปิปัจจุบันพยายาม ป, ปฏิบัติตามในรูปแบบนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงโอ้ดีเชียวแล้วก็จ ะ, จะเจริญสติในชีวิตประจําวันซึ่งสิ่งที่เห็นก็คือรู้สึกว่าเวลามีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเนี่ยใจมันเปลี่ยนมันบรรลุสึกถึงความ สุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นโอ้ดี oh, <dear. S 2> แล้วก็รู้สึกว่าความทุกข์มันห่างห่างจากตัวเองไป hmm. คือรู้ว่ามันทุกข์แต่ว่ามันเหมือนณ hmm. เวลาที่เรารู้สึกว่ามันทุกข์ก็คือทุกข์แต่ว่าพอ hmm. พอเรารู้สึกมันแล้วมันก็จะจบไปอะคะ่ะ hmm. แล้วช่วงนี้คือแบบเวลานอนเนี้ยจะแบบมันเห็นตัวเองที่แบบขยับขยเรือนตลอดเวลาจนเหมือนเอ้เราหลับหรือเปล่า hmm. จนสักพักมันก็ฝันแต่ว่าก็แล้วก็ตื่นแตจะตื่นเป็นระยะแล้วก็ ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้มันประมาณไหนแล้วหลงไปหรือเปล่าหรืออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรบกวนเรียนฐานพระอจ้ า, จารนะคะที่ภาวนา น, นดีอยู่แล้วละนะแต่ถ้าทําความสงบได้บ้างก็ดีจิตจะได้มีพลังมากกว่านี้นะนนคือเราจเจริญปัญญาได้เชี่ยวชาญแลนะสติเราก็ดีนะถ้าเพิ่พมสมาธินิดหนึ่งให้ใจได้พักเป็นช่วงๆไปอยู่กับพุทโธอยู่อะไรนะ <ๆ S 2> หรือลมหายใจอะไรก็ได้ให้ใจได้พักเป็นระยะระยะบ้าง งั้นเวลาเราจเจริญปัญญารวดไปเนี่ยใจมันจะฟุ้งไปการพักนี่หมายถึงอย่างเวลาหนูนั่งสมาธิเนี่ยหนูก็ก็จะจะอยู่ที่ที่ลมหายใจแล้วก็จะเห็นใจมันแวบไปไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่ก็อยู่แค่ลมหายใจนะแต่ ม, มันจะแวบมาปุ๊บให้หนูกลับไปที่ลมหายใจเหมือนเดิมใช่ค่กลับมาอาศัยลมหายใจหายใจแล้วมันจะสว่างลองหลับตาซิเห็นแสงสว่างไหม เห็นนะค่ะนั้นเราก็แค่รู้สึกตัวอยู่ในแสงสว่างนะไม่พิจารณาไม่อะไรเนี่ยพักผ่อนค่ะพักผ่อนเสร็จพอสมควรนะก็ออกมาเดินปัญญาต่อค่ะขอบพระคุณค่ะไม่งั้นใจจะฟุ้งไปค่ะนำมัสการค่ะโยมไม่แน่ใจตัวเองอะฮะเพราะว่าเพราะว่าโยมชอบดูลมหายใจนะคะเออเห็นไม่ร่างายหายใจ เวลาลงไปฟุ้งไปก็รู้แล้วมันก็นจะกลับมาที่ลมหายใจออแต่ก็ไม่รู้ว่าการที่เรากลับมาอย่างเงี้ยแล้วเรานิ่งอย่างนี้หรือว่าฟุ้งไปอีกก็กลับมาอีก อ, อย่างเงี้ยเรื่อยๆเงี้ยไม่รู้ว่ า, า<ด> อ, อยู่ในสมรถะอยู่อะไรกันแนถ้าเวลาจิตฟุ้งไปแล้วพอเรารู้ว่าฟุง้งแล้วเรากลับมาหายใจเนี่ยตรงที่กลับมาหายใจถ้ารู้สึกแน่นๆนะแสดงว่าจงใจจงใจไม่ได้แน่นสบายๆเฉยๆค่ะตอนนี้สบายไหมก็ ไม่เท่าไหร่เนาะพอก็ว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอกงั้นใจไหลไปเรารู้สึกนะคไปฝึกต่อไปดีแล้วล่ะขอบคุณค่ะรู้สั้นนะเพราะงั้นต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะจะไปดูจิตรวดๆตรงๆไปเลยไม่มีป้านอยู่นะบางทีดูไม่ไหวมันฟุ้งไปครับแต่ว่าเวลาเวลาฟุ้งไปพอต้ลมตัวก็จะอยู่ลมหายใจอีก คือคืออย่าจงใจกลับมาอยู่ที่ลมนะค่อยๆสังเกตตัวนี้ให้ดีเวลาของคุณเวลากลับมาที่ลมเนี่ยมันมีความจงใจอยู่พอจงใจเนี่ยมันกลายเป็นธทำสมถะคล้ายๆว่าหนีการทํำมิปัสนาเข้ามาอยู่กับสมถนะก็ต้องแค่ว่าคนโทษๆไปนะที่มันไม่ภาวนานนะจิตมีอันเดียวคือหลงหลงหลงหลงนะคนภาวนาใหม่ๆนะจิตจะมีสามัญ หลงไปแล้วก็รู้สึกแล้วก็บังคับหลงไปแล้วรู้สึกแล้วก็บังคับนะคนภาวนาเก่งนั้นก็จะมีหลงแล้วก็รู้หลงก็รู้เหลือสองอันนะแล้วภาวนาไปสุดจีตนะก็เหลืออันเดียวรู้เรารู้เรารู้เรารู้รรรนะนะกลบนมัสการหลวงพ่อครับวันนี้ผ ม, มตั้งใจจะมาถามเรื่องการปฏิบัติผมเองก็ภาวนามาได้ประมาณ3ามปีครับก็มีโอกาสได้ส่ง การบ้านกับหลวงพ่ออยู่เรื่อยๆคื อ, อผมว่าในเรื่องของสติระลึกรู้เนี่ยผมก็พอพอฝึกได้แล้วครับทีนี้ล่าสุดที่ผมมาส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อตอนสงการที่ผ่านมาเนี่ยอันตอนนั้นรู้ตัวว่าติดเพ่งอย่างรุนแรงเลยแล้วก็หลวงพ่อก็สกิดให้ว่าเป็นมิจฉาสมาธินะครับอืก็ก็ผ่านมาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเพ่งนี่ก็เริ่มเบาลงบ้างแล้วครับแต่ก็ยังมีอยู่ ทีนี้อก็เลยอยากจะมาขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนําเพิ่มเติมครับตอนนี้พอได้แล้วนะ ค, ค่อยๆทาไปขันมันก็แยกแล้วเราก็เห็นขันมันทํางานใจเราเป็นคนดูสบายๆไปนะครับแล้วก็ซ้อมในรูปแบบไปเรื่อยๆทุกวันนะที่ทําอยู่ดีแล้วละช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรอผมบางครั้งมองร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว ม, มันเหมือนกับว่า มันมีสัญญาอะไรผุดขึ้นมาแล้วเราก็รู้แต่ว่าไม่ได้จงใจอันนั้นคือพอใช้ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดครับเราไม่ห้ามนะครับแค่รู้สึกแค่รู้สึกไปอะไรจะผุดก็ไม่ห้ามหรอกกิเลสผุดยังไม่ห้ามเลยครับอผมผมยังยังยังไม่ชํานาญในเรื่องของจิตตั้งมั่นครับแต่เพราะผมเคยมีอยู่บ่อยจริงจรงก็ไม่บ่อยมากคือบางครั้งทําในรูปแบบแล้วนอนพอเคลิ้มเคลมจะหลับจิตมันก็ฟุ้งนะครับ ทีนี้อยู่ๆมันเหมือนกับว่ามันมันถอยมาปื๊ดนั่นแหละครับมันรู้มันรู้ทันฟุ้งนะมันรู้หลุดออกมานะตั้งขึ้นมาครับตัวตัวนั้นนี่คือเป็นคล้ายๆสัมมาสมาธิหรือเปล่าใช่แต่ว่าเราไม่เจตนาทำนะใช่ครับมันมันไม่มีความถ้าจงใจมันไม่มีความจงใจะแน่นแไม่ใช่ของจริงอ่ะเสร็จแล้วทีนี้มันก็สเต็ปถัดมาเนี่ยมันคล้ายๆมัน มันเหมือนมันมันรู้ว่าอาการที่จิตฟุ้งไปเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบไร้สาระอะไรอย่างนั้นมันเป็นปัญญาหรือเปล่าครับเราไปให้ค่ามันอเราแค่รู้ว่าเออจิตฟุ้งนะจิตไม่เที่ยงหรอกเมื่อกี้สงบตอนนี้ฟุ้งอย่นี่เห็นอ น, นิจจังเออจิตเนี่ยบังคับไม่ได้นะจะฟุ้งมันก็ฟุ้งของมันได้เองนี่เห็นอนัตตานะก็คือที่ที่เป็นสเต็ปหลังนี่คือไม่เป็นกลางใช่ไหมไม่เป็นกลางนะอโอเคก็ทีนี้คือผม ผมมีกลุ่มที่ภาวนาด้วยกันมาก็อเป็นเด็กรุ่นเดียวกันบ้างเป็นรุ่นน้องบ้างก็เป็นกลุ่มใหญ่อยู่ซึ่งก็มีโอกาสได้ส่งกันบ้านกับหลวงพ่อบ่อยๆครั้งครับใน<ม> ก, กลุ่มนี้ทีนี้ระยะหลังๆในช่วงในช่ว ง, วงประมาณครึ่งปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสหลายๆกระแสเข้ามามในเรื่องของข่าวเรื่องภย<ม>ัยพิบัติหรืออะไรต่างๆที่จนตอนนี้ทุกคนในกลุ่มก็มีความเชื่อคล้ายๆกันว่าเนี่ยปลายปีนี้ น่าจะไม่ค่อยปลอดภัยเลยครับก็คือหลวงพ่ออยากขอคําแนะนําในเรื่องนี้ด้วยครับเรามีชีวิตกับปัจจุบันสิถ้าปัจจุบันเนี่ยเราเต็มอิ่มในตัวเองนะแจ่กี่ปีจะมีภัยพิบัติไม่มีนัยยอะไรหรอกเราทิ้งปัจจุบันนะไปห่วงอนาคตเลยไม่เจริญสติในปัจจุบันเนขะาดทุนนะครับก็เดี๋ยวขอโอกาสขอขามาพระรันาตนไตยแล้วก็อขอขามาครูบาอาจารย์ทุกท่านนะขมาให้นะ กลับในมรดการหลวงพ่อค่ะก่อนหลวงพ่อไปอเมริกาหนูได้ส่งการบ้านในรอบ8เดือนนะคะแต่ว่าวันนั้นอาสมิมานะมันเยอะมากแล้วก็ตื่นเต้นครัไม่ได้เรียนถามหลวงพ่อว่าควรจะมีอะไรแก้ไขหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยขอโอกาสหลวงพ่อคือจะไม่ส่งการบ้านแต่ให้หลวงพ่อสั่งสอนนะคะเล้วนะสั่งสอนเหรอภาวนาที่ทําอยู่ก็ดีอยู่แล้วล่ะแล้วเดี๋ยวนี้กระตกรก็ต่างกันมากแล้ว ธาตุขันก็แยกเป็นแล้วอยู่ที่ว่าสะสมไปนานพอไหมนะทำได้มากพอมก็ไปได้ที่ทำอยู่ทันทีแล้วละทําถูกแล้วด้วยอยู่ให้มากพอขอพบพระคุณค่ะผมกาก็อยากจะขอคำแนะนาเหมือนกันครับว่าจะมีหลักในการปฏิบัติต่ อ, อยังไงครับฝึกก็ดีอยู่นะ ทำสมถารด้วยอะไรใช้ลมหรือว่าหรือใช่อะไรใช่ครับมีช่วงมีช่วงหนึ่งผมรู้สึกว่าตัวเองมันเสื่อมลงครับแล้วก็รู้สึกเสียความมั่นใจหลายๆอย่างแต่ก็มันก็ต้องพิจารณาไปตรงๆครับว่ามันก็ก็มีเสื่อมบ้างอะไรบ้างครับพยายทำในรูปแบบทุกคืนครับแต่บางก็มีมีบางวันที่ไม่ได้ทำบ้างแต่ก็ส่วนส่วนมากครับได้ทำใช้กรรมฐานอะไรใช้ลมหรือใช่เลย คือครั้งที่แล้วหลวงพ่อแนะนาให้แยกทาตแยากขันธ์ครับพอมผมรู้แล้วว่าผมขาดความตั้งมั่นไปเยอะครับมผมก็เลยช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาผมก็ลมลมหายใจเป็นหลักคสังเกตไหมว่าสภาวะที่จิตมันติดความสุขของลมมันเป็นยังไงดูออกไหมครั บ, ม, รบมันจะเยิมเยมนะให้รู้ทันเอานะแล้วใจจะได้ตั้งมัน่นเต็มที่ถ้าผมต้องเดินปัญญา คือตอนนี้เพิ่มความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดหนึ่งอาจจะเพราะว่าง่วงก็ได้ครับผมสองกับมาสองวันเพิ่งนอนไปเก้าชั่วโมงอนะมันเลยเออร์เนะที่ฝึกอยู่เลยใช้ได้ก็ทําต่อไปทําได้ทําได้ครับมันมีช่วงหนึ่งผมไปติดตอนดูคือเหมือนสร้างตัวดูมาดักหลอครับมีช่วงหนึ่งเหมือนไปเออนั่นแหละนะเคร่งมากเลยเออนะไม่เอาตัวนั้นตัวปลอมครับมาครั้างตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ก็มินอันที่แรกที่ลืมตาก็ เช็คล่างกายก่อนเลยครับมันก็เครียดมากขอวนาให้เป็นธรรมชาตินะครับครับผมอนาปนาสตินะถ้าเล่นเป็นนะสนุกนะมันเป็นกรรมฐานที่เป็นแม่แบบของกรรมฐานอื่นเลยอ้าเชิดกลับบ้านไป